Mm hmm.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 ถ้าเราส่งจิตออกนอกนะเราก็ทุกข์แต่เรากลับมาดูใจของเราเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจไหมถ้าเราเห็นมันก็จะวางได้แต่ถ้าไม่เห็นเราส่งจิตออกนอกเราก็ยิ่งหงุดหงิดนะแล้วก็ลำคานมากขึ้น ไอ้ความสงบในจิตใจก็หายไปทันทีตั้งแต่เช้าทั้งที่ททอุตส่าห์มาทำวัดแต่ใจไม่สงบอันนี้เพราะส่งจิตออกนอกหรือว่าวางจิตไปไม่เป็นไม่กลับมาดูใจของตัวไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือไม่มีสติ เมื่อหลายวันก่อนก็มีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาที่ศาลาน้ำเขาไม่เคยมาวัดป่าสุกโตหลังจากที่แนะนำตัวกันเล็กน้อยเขาก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าขอให้พระอาจารย์แสดงธรรมให้ฟังหน่อยอเดียวนี่มีแบบนี้เยอะนะรู้จักกันไปเดียวเดียวนะก็บอกว่า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 อย่างนี้เล้ว่าไม่ได้ทํากันบ้านถ้าจะมาฟังธรรมก็ต้องคิดก่อนนะว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรเรามีปัญหาตรงไหนเรามีความเข้าขงใจตรงไหนถ้าทํากันบ้านมาก่อนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะว่าอาตมาก็เพิ่งรู้จักกับเขาก็ไม่รู้เขา มีปัญหาอะไรอาชีพอะไรยังไม่รู้เลยเราจะแสดงธรรมให้ตรงกับความต้องการของเขาให้ตรงกับปัญหาของเขาให้ตรงกับบริบทของเขาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้เยอะคือมองว่าพระนี่เป็นเหมือนกับเทปธรรมะนะกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยก็เราไม่รู้จักแนตะ่แล้จะ พูดให้เป็นประโยชน์กับปัญหาเขาได้อย่างไรเออถ้าเคยรู้จักมาก่อนนี่เราก็บางทีไม่ต้องไม่ต้องนิ่ ม, มนวลนะก็อาจจะพูดแนะได้ณเดือวนี้เนี่ยจุดอ่อนของคนไทยคือว่าไม่รู้จักถามตั้งคำถามไม่เป็น ฟังธรรมหรือว่าฟังคำบรรยายของครูบาอาจารย์ไม่ว่าในศาลา ห, หรือในห้องเรียนก็ไม่มีคาถามขนาดฟังเป็นชั่วโมงแล้วคำถามก็ไม่มีแลผิดกับคนฝรั่งนี่ก็จะมีคำถามตามมาหลังจากได้ฟังคำบรรยายเพราะว่าเขาคิดไปด้วย การรู้จักตั้งคำถามนี้ก็เป็นเป็นลักษณะหนึ่งของผู้มีปัญญาหรือผู้ที่จะเป็นนักปราชญคนไทยเราสมัยก่อนคงได้ยินคาว่าสุดจิปุริเดีย๋ยวนี้นักเรียนสมัยนี้ไม่อาจจะไม่ได้ยินนะสุดจิปุรี น, นี่เป็นหัวใจของนักปราชญหรือของผู้มีปัญญาสุก็คือสุดตะฟังต้องเป็นผู้ได้ฟังมากภาหุสัจจันจะ การเป็นผู้ดีได้ฟังมากถึประหุสูนี่เป็นมงคลอันสูงสุด ข, ข้อหนึ่งแล้วก็ต้องฟังให้ถูกด้วยนะถ้าฟังจากปาปมิตรหรือฟังจากแหล่งที่มันไม่ถูกต้องให้ข้อมูลผิดพลาด น, นี่ก็กลายเป็นคนโง่ได้การฟังจากผู้มีปัญญาหรือสตบุรุษนี่ก็เป็นบันไดขั้นแรกจีก็คือจินตะคือคิดใคร่ครวญ ฟังแล้วก็พิจารณาตามเดี๋ยวแล้วก็มีปุกก็คือปุจชาถามลิกก็คือลิขิตเขียนบันทึกเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากเนี่ยสี่ข้อนี้สอบตกหมดเลยนะฟังอ่านเนี่ยก็ไม่มีหรือฟังก็ฟังเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อยากจะรู้เรื่องดารา ห, าหูพึงในเรื่องเจนนี่แต่ว่าเรื่อง มีศาลานี่ไม่สนใจถ้าเรื่องดาราเนี่ยเล่เข้าหาฟังอย่างใกล้ชิดจี่็ฟังแล้วไม่คิดฟังเรื่องดาราแล้วคิดก็มันก็ได้ประโยชน์นะแค่เห็นว่ามันเป็นโลกมา ย, ยารักกันประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ทิ้งความรักก็ไม่แน่นอนสิ่งที่เรียกว่าเตียงหากก็เกิดขึ้นเป็นประจำปุชาก็ไม่มีถามไม่เป็น ไม่รู้จะถามอะไรหรือว่าถามผิดที่ตอนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่มีคําถามแต่เวลาเดินจงกรมนี่มีคําถามเพียบเลยเกิดวิจิกิจชาขึ้นมาเออเราปฏิบัติ ด, ดีไม่เนี่ยนี่เราทําถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ที่ขัดขวางการปฏิบัติคือมีคําถามหรือมีความสงสัยผิดที่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 ถึงเวลาหรือว่าเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกต้องลิขิตก็การบันทึกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่โยมกลุ่มนั้นนะเขาขอให้แสดงธรรมตมา ก, ก็บอกว่าให้ถามดีกว่านะจะได้พูดได้ตรงกับความสนใจก็มีโยมคนนึงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมา จากกระเป๋าคงเขียนไว้นานแล้วนะข้อความนั้นที่จำได้นะก็คือว่าทุกที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะทุกโพโรเพราะงโง่เมื่อผัสสะทุกเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเข้าใจผัสสะ ฟังอย่างนี้ก็พอเดาได้ว่านี่เป็นคําของท่านอาจารย์พูทธทาสแล้ว ก, ก็ตอบว่าใช่เขาจดมันจากหนังสือเล่มหนึ่งเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจตั้งแต่คําว่าผัสสะก็เลยอธิบายเขาฟังนะผัสสะนี่ก็มันเป็นทั้งคํานามก็ได้กิริยาก็ได้หมายถึงการกระทบหรือกระทบ ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเมื่อตากระทบผู้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือว่าใจมันคิดภาษานี้ก็ตัวกายคือลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมรมที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจปกติเนี่ยเวลาเกิดภาษาขึ้นมา แล้วเกิดความทุกเนี่ยนะเรามักจะไปโทษสิ่งนอกตัวเช่นไปโทษเสียงเสียงหม า, หาเห่าเนี่ยเราก็โทษวันเนี่ยมันทําให้เราทุกหรือวเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอพูดเสียงแข็งกับเรานะเราทุกก็ไปโทษว่าเป็นเพราะเสียงเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ปัญหาหรือว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่การกระทบนะแต่อยู่ที่ใจนะซึ่งถ้าอาจารย์ก็ใช้คำว่าโง่หรือว่าเห็นผิดคือเวลาผู้ได้ยินเสียงเนี่ยทุกยังไม่เกิดนะมันเกิดเมื่อใจเราปรุงแต่งเช่น เสียงมาเห่าเนี่ยเมื่อหูดินเสียงเนี่ยความทุกข์ยังไม่เกิดนะแต่ว่าพอใจเราคิดขึ้นมาว่าทําไมมาเห่ากันตอนนี้มาเห่าตอนที่ฉันกําลังฟังธรรมมันไม่น่าเห่าเลยเดีย๋ยวว่าแต่เสียงหมาจึงดังเลยนะแม้กระทั่งเสียงริงโทนเสียงโทรศัพท์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 เราทุกข์เมื่อมันดังในเวลาหนึ่งแต่เราดีใจเมื่อดังในเวลาหนึง่งก็เพราะการปรุงแต่งของใจการปรุงแต่งนี่เป็นคำที่กว้างนะเช่ น, นเวลาเราคิดว่ามันไม่ควรดังเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งคำว่าควรคำว่าไม่ควรนะก็ทำให้เราทุกข์ได้ขับรถอยู่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 พระพุทเนี่ยพอเห็นปุ๊ บ, นะบเน้าตากระทบลูปนี่เป็นไงไม่ชอบไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดขึ้นมาว่าเขาไม่ควรที่จะยื่นขามาที่พระพุทธรูปไม่สุภาพความคิดว่าไม่สุภาพไม่มีมารยาณ์นี่ก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ไม่พอใจอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งหรือการตีค่านะ การตีค่าให้ค่าว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความชอบความชังความดีใจความไม่พอใจหรือความเสียใจหรือความโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ค่าว่าการยื่นขามาที่พระรูปเนี่ยเป็นมารยาทสามพอเห็นอย่างนี้เข้าทุกเลยโมโหเลย เราไม่ได้ทุกข์เพราะตาเห็นรูปนะแต่ทุกข์เพราะมันมีความปรุงแต่งมีการปรุงแต่งว่าการกระทําแบบนี้ไม่ดีหรือว่าเดินไปบนถนนเห็นก้อนขี้หมาทุกเลยแต่ถ้าเราเห็นเงินเรากลับดีใจเพราะอะไรเพราะว่าเราให้ค่าว่าหรือเราตีค่าว่าขี้หมานี้สกรปรกเหม็นไม่งาม แต่พอเห็นทนบัตินี้เราตีค่าว่ามันเป็นของดีหรือว่าเห็นเพชรเห็นทองตกอยู่เราตีค่าว่ามันเป็นของดีของสวยของงามเห็นแล้วมีความสุขยิ่งคิดว่ามันจะเป็นของเราก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ใต้เวลาตากระทบรูกหูได้ยินเสียงเนี่ยอันนั้นยังไม่ยังไม่ใช่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 เช่นเวลาเวลาปวดเวลาเมื่อยปวดเมื่อยที่ขาก็จริงปวดเมื่อยที่หลังก็จริงแต่ว่าพอรับรู้ความปวดเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาว่ากูปวดกูปวดกูเมื่อยกูเมื่อยอันนี้ทาให้ทุกขนะ์นความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจทันที ที่แรกทุกเกิดที่กายแต่ถ้าไม่ปรุงตัวกูมาเป็นผู้เจ็บผู้ปวดนี่นะมันก็ไม่มีความทุกข์ใจนะและทุกข์ใจนี่มันหนักกว่าทุกกายเวลาเราปวดเวลาเราเมื่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ากําลังเล่นไพ่เนี่ยเพลิ่อนอยู่กับไพ่เนี่ยให้ความปวดเมื่อยที่เท้า ที่ขานี้ไม่เดือดร้อนไม่รบกวนเลยหรือเวาลานั่งคุยกับเพื่อนนั่งคุยกับแฟนปวดเมื่อยอย่างไรไม่มีความหมายเลยเพราะใจมันไม่ไปรับรู้แต่ว่าถ้าเกิดกําลังนั่งฟังธรรมเนี่ยพอขามปวดขามเมื่อยนี่มันปรุงตัวกู้ขึ้นมาเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยทันทีเลย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 เวลามีคนมาต่อว่าตำหนิหรือนินทาที่เราทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะได้ยินคําตำหนินะแต่ทุกข์เมื่อเกิดความสำคัญมาหมายว่าเขาด่ากูเขาว่ากูถ้าเขาว่าคนอื่นเขาตำหนิคนอื่นเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์แต่พอเกิดความสำคัญมาหมายขึ้นว่าเขาว่ากู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 ปรุงตัวกูขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นพาะไม่มีสติถ้าเจ้าพุทธาถึงใช้คำ ว, ว่าโง่เมื่อผัสสะเพราะว่ามันเป็นความหลงอย่างหนึ่งมันเป็นความหลงและพอปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ทีถ้าเราเข้าใจงี้เนี่ยก็ต้องฉลาดนะในการมีผัสสะ ก็คือว่าเมื่อตากระทบลูกหัวเดินเสียงเนี่ยให้มีสติให้มีสติส ต, ตาเห็นลูกหัวเดินเสียงถ้ามีสติมันก็ไม่ปรุงการปรุงเกิดขึ้นเมื่อเราเผลอเมื่อเราลืมตัวเมื่อสักตะว่าเมื่อเห็นสักตะว่าเห็นนะไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เกิด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 สามารถสร้างความทุกข์นเราได้เราไปกินอาหารร้านหาเลขแผงลอยจานละ30บาท40บาทเอออร่อยนะแต่อาหารจานเดียวกันถ้าเราไปกินที่พัตตารหรือโรงแรมอย่างโอเรียนเตนจานละ4ี่ห้าร้อเนี่ยรสชาติาเดียวกันเลยแต่กินเนี่ยเป็นทุกข์ละ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 เมื่ออร่อยมีตัวกูผู้อร่อยเกิดขึ้นก็สุขแต่ถ้าไม่อร่อยก็รู้สึกว่าสำคัญมากว่าตัวกูเศษของแม่อร่อยก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราโ ง, ง่เมื่อเมื่อผัสสะหรือโง่เมื่อมีผัสสะน่าสิ่งที่จะต้องทาคือว่าต้องมีสติ เมื่อผัสสะเกิดขึ้นอย่างนี้เราไม่โง่อันนี้สำคัญมากนะโดยเพรา ะ, ะเวลาเราทุกข์เพราะมีความปรุงแต่งตัวกูเนี่ยสตินเนี่ยมันเป็นตัวที่จะสลายตัวกูได้เมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาอันนี้เป็นหัวใจนะของการปฏิบัติเลยในสาพัตถการเนี่ยมีนักบวช ท่านหนึ่งนะชื่อพาหิยะชื่อยาพาหิยะทรุจิริยะเนี่ยก็เคยคิดว่าตัวเเป็นพราะอารหันต์ตอนหลังมามามีคนท้วงมีเพื่อนเป็นเทวดามาท้วงว่าท่านไม่ใช่พระอารหันต์พราะอารหันต์ที่แท้จริงนี่อยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีตากแกก็สว่างขึ้นมาเลยแล้วก็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 พายาก็เข้าไปเฝ้าพืชเจ้าคอยพระองค์แสดงธรรมตอนนั้นนี่ไฟแรงมากอยากจะฟังธรรมมากๆเลยพระองค์เนี่ยทรงเห็นนะว่าสภาวะจิตของพา ย, ยายังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมอาจจะเป็นพราเหนื่อยด้วยนะก็เลยปฏิเสธบอกว่า ย, ยังไม่ใช่เวลาไม่ใช่สถานที่ด้วยนะเพราะมันเป็นถนน พายะก็ยืนกลานจะฟังไหว้พระเจ้าแสดงธรรมพรอ ง, งปฏิเสธทำปรองปฏิเสธถึงสามครั้งแต่พายะก็ยังอยากจะฟังธรรมแต่ครั้นี้หลังจากที่พรองปฏิเสธไป3ามครั้งจิตใจของพายะก็เริ่มอ่อนลงคงได้พักเหนื่อยด้วยพระองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆนะว่าเมื่อเห็นศัต์แ่ว่าเห็นนะเมื่อได้ยินสัต์แ่ว่าได้ยิน ไ่ได้ก่นก็สักตวะวัได้ก่นเมื่อรับรู้อารมณ์ก็สักตวะวัรับรู้อารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่มีทั้งในโลกนี้ในโลกนาและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกสแสดงธรรมสั้นๆเนี่ยพญ่ฟังก็พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยได้ชื่อว่าเป็นเอตทักคะคือผู้เป็นเลิศ ด, ด้านการฟังธรรมแบบฉับพลันคือเร็วมากเลย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 รวมทั้งผู้เจ็บผู้ปวดผู้โกรธผู้คิดต่อเวลาเวลามีเสียงดังเกิดขึ้นมาเห่าเนี่ยนะถ้าศักต ว, ว์ได้ยินก็ไม่เป็นอะไรแนตะ่แต่พอตัวมันปรุงตัวกูขึ้นมาว่ากูได้ยินเสียงมาเห่ามันดังเหลือเกินเป็นผู้สวยอารมณ์นะเป็นผู้สวยอารมณ์หรือแม้กระทั่งความอยากนะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ทุกข์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 อันนี้อจจะเคยเล่าฟังเป็นแล้วนะโยมคนหนึ่งก็ผู้หญิงคนนึงอยู่ในวันนั้ น, ม, นมันเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายอากาศร้อนมากเขาก็เลยนั่งอยู่ในห้องเปิดแอร์เต็มที่แต่ก็ยังร้อนนะยังอ้าวอยู่ก็มีความหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงไปรษณีย์มาเรียกหน้าประตู เขาไม่ อ, ไนะ อ, ออกไปรับนะเพราะถ้าออไปรับนี่ต้องไปเจอแดดเจออากาศอ้าวก็เลยอยู่เฉยๆไม่ออกไปแต่ประชาชนีเนี่ยรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเห็นรถจอดอยู่เห็นประตูบ้านในข้างในเปิดอยู่ก็เลยรอแต่ไม่ได้รอเ ป, ปล่าๆร้องเพลงด้วยร้องเพลงอยู่นานเลยสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกไปรับจดหมายรับเสร็จก็ ถามบุรุษไปสณีนะซึ่งเงือโซมเลยนะถามว่าอากาศร้อนแบบนี้คุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอคำตอบดีก็บอกว่าโลคร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นครับแดดร้อนทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรบุรุษไปสณีไม่ได้แดดร้อนแต่ว่าเ้ายังอารมณ์ดีพอาะเขารู้จักปรุงแต่งจิตในทางบวกปรุงแต่งยังไง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 ยังกายร้อนแต่ใจเย็นนี่ทำได้ถ้าเราฉลาดนะในการปรุงแต่งจิตคือถ้าดีกว่านนั่นก็คือการที่มีสติไม่ปรุงแต่งเลยแต่ถ้ า, าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งให้มันเป็นบวกปรุงแต่งจิตในทางบวกกายร้อนแต่ใจเย็นก็เป็นไปได้หรือว่าปรุงแต่งเพื่อทำให้ใจเป็นกุศลเวลามีคนด่าว่า พูดจาไม่สุภาพนะถ้าเรานึกในใจว่าเออเขามาแสดงทำให้เราฟังหรือเขามาชี้แนะคิดแบบนี้ก็ได้ประโยชน์ก็พร้อมจะฟังหรือว่าจะมองว่าเออมาฝึกขันติของเราก็ได้มันมีวิธีปรุงแต่งจิตหลายอย่างที่ทำให้จิตเป็นกนุศลไม่โกรธไม่โมโห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 ทั้งก็เดินไปรับบาดพอเดินเข้าไปใกล้กๆนี่ลูกชายตัวเล็กๆตนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ใช่พระดอกมึงมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระมึงถ้าเป็นเรานี่จะรู้สึกยังไงนะพูดจาแบบนี้บอว่าผู้ท่านก็ฉุนนะไม่พอใจได้ยินเด็กพูดแบบนั้นแตสักพักนึงท่านก็เห็นความไม่พอใจของตน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 เรียกเด็กคนนี้ว่าอาจารย์อันทำไมท่านไม่โกรธนะเพราะท่านมีสติเห็นความโกรธแล้วก็ปรุงแต่งคือเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออใช่เราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธสมณะสัญญาเกิดขึ้นเราลึกถึงสมณะสัญญาแต่ถ้าปรุงแต่งไม่ถูกนี่ก็ทุกนะเช่นปรุงแต่งไว้เราเป็นพระทาไมพูดกับเราอย่างนั้น นะหรือว่ากูเป็นพระทาไมมึงพูดกูอย่างนี้แลวแม่ของของเด็กทำไมไม่สอนเด็กนะบางทีไม่ใช่โกรธเด็กเนี่ยโกรธแม่เด็กเ่ ว, ว่าไม่สอนเด็กปรุงแต่งเพราะเกิดความสำคัญมันหมายว่าฉันเป็นพระกูเป็นพระมาพูกกูอย่างนี้ได้ไงมี่ทุกใหญ่เลยนะยิ่งโกรธใหญ่แต่ถ้าปรุงอย่างหรือคิดอย่างท่านหลวงพ่อพุธเนี่ยช่วยทำให้วางความโกรธได้ เรื่องของผัสสะนี่เราต้องฉลาดอย่างที่ท่านอาจารย์พูดความทุกเกิดขึ้นไม่ได้นะเมื่อเข้าใจเรื่องผัสสะเข้าใจนี้ไม่เข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยหัวนะแต่เข้าใจจากการปฏิบัติตนเห็นว่าผัสสะไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนั้นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งที่ใจก็เลยทุกที่ใจเนี่ยและการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ย